นะโมทัสสะปะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมทัสสะปะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทสสะ ธรรมโหเวรัติธรรมจาริงที่นับเนี่ยจงอาป้ก็จะได้แสดงแสดงพระธรรมีตนะฮะว่าถิ่ใตางเดียวน้อดนใว่าวดีไหมขอโอกาสหลวงปู่โกมัที่ประธานแลก็เป็นเจ้าภาพจะได้ แลอดจนเจ้าคาูทุกคนนะแม่เนียรและก็ลูกตาทีได้มาหัวใจจัดการกระถิ่นนะที่เจ้าถวายวัดขอจำท้องในกคือนบแต่ีเบาเรื่องอวิสสงของกระถิ่นนี่ติงใส่ที่แมโรงได้ตั้งใส่ที่เท็ดในมือนีก็ดี รือว่าก็นั้นก็ดีก็อนาคตก็ดีเนยมันเป็นสิ่งที่เนี่ยโน้มน้ายเนาะได้มีความผสมซ้ำใจแล้วฝีนึ่งถันึ่งมันมีแค่เกมแค่ทางหนึ่งงานก็ดีเป็นสิ่งที่จะเจิตหรือว่าเป็นงานที่่าเป็นงานที่อกาไ้ ปีนึงที่เขาไใส่ก้นน้งก็เขาใจว่ามืเดียเนั้นะเพาจะมาเขาได้หลายที่เจ้าจันยนก็จะส่สมตับหรือว่าจะสมตับใจตามาพุทธมกฑลที่นี่เดอว่าเขาจะมาหลายปีเนาะอะกล้วยต่างต่างบ้านต่างภา้น่นะก้วยเก็บสะสมตับได้นะ จะสบายร่วมกันเป็นงานจะทีวีจะว่าเป็นงานที่ยากมากเนาะข้างนี้จะเป็นข้างแรกของของตะปูนะของตะปูของหลงปู่คมแล้วก็ลูกปลาทั้งหมดที่ในมอสตันเป็นข้างแรกนะือว่าท่านเป็นน้อยที่จะจิดงอาเนาะจิ้งอาจะีบเทียนเนาะปุยใจเนายใจากมีงานแต่ละเทียนมนชิ้นยากเนาะพวกเขาแค่ตนีเขานอกจาก บดขี้งาค่ินี่ขี้งาขี้งเนี่ยเป็นขี้สิ้งี่นะเพราะว่าบุส่วนที่เขาเทศน์งานจะขี้งี่มนีอันมีสงสาเลยนะอันมีสง่ามากเพราะว่าซานี่แต่ละปีใส่ผ้ะเสื้าเราช่วยใส่ผ้ามาไม่นี่เป็นผ้าทหายงาสมัยโบราณสมัยพุทกาลเนี่ย หาควยเรียงไม้ได้หรือคุยเรีม้ได้หรือกินนี่เียว่าป่ามากเอามาเนยเอามาตอเอามาตัดเอามาอนะมันเป็นทิ้งที่เรยว่าควยเรียงาม้นี่มันยากมากมีญานิโน้ตคนเห็นอันที่โสมตัวนี้จะเรียกว่ามาหาป่ามามาเนยมาเนาะมาตัดให้กับพระอันนี้จะเป็นทิ้งที่ดี แนี่เป็น ท, ที่ดีมากเพราะว่าอานิสงส์การที่เขาเรียกว่ามีผาปะฏิินถวยนนายสักพักนี้ถ้าดไปใส่ผานั้นนที่ถวายนี่จะได้รุ้นตลอดเลยแต่สมัยนี้นะสมัยนี้มันก็นม่ได้แค่ว่าผาปะฏินที่ถวายแค่นั้นซับหรือว่าสิ่งของไฟนอกที่ยังนำมาถวายนี่ถ้าเป็นสิ้งทีเรียกว่าเป็นทางนี้เป็นของบริวารเนานะของบริวารนี่ ตัวเขาไม่หาได้มาจริงง่ายเนาะเกลดไข่เกล็ดหน้าเนี่ยตัวให้เข่าควยให้ไข้ทำมาฆ่าขายเรียกว่าจีนแต่เข้าติดต้านได้เด่นเลยเนี่ยตัวให้ซับมาแต่ละบาทแต่ละตารนี่เป็นที่นิยมงายแต่พวกเขานี่เป็นคนที่เรียกว่าชี้ปัญญารู้จักนะรู้จักขอาซับภายนอกนี่ยให้เปลี่ยนเป็นอริยัภายใน ซับไปนอกนี่คนเปียคันเปียกงไายง่าคันเท้าบ็รู้จักรักษารู้กใส่เนี่ยือเปียกับเขาสวยนะเขาสวยก็คือเขาที่หงงแล้วไม่บอกเขาที่ห้องหงงแล้วเนี่ยคันเท้ากนทันทีเนี่บพพอมือมันบูดมันก็เน่ามันก็มันก็เรกวเย็นมันจะแห้งไปนะับไปนอกของเทากื้อใส่เนาะคันเท้าบ็รู้กใส่เลยเนี่ เอาก็ใส่ได้แค่าทากนี้ตายไปล้วก็ใส่ไป ไ, ได้แค่คุยกับเขาที่เ้าหุงมานะหุงมาแล้วพันเาบลอกกินไปไหมันเห็นไหนมันมแข็งเนานะมันจะเสียไปคือนั่นซับไพ่เข้าที่เขานีเนี่ยเปรียบคือเหมือนกับเขาสวยเนะข่าสวยบบที่น้วิจารใตดีๆนี่มันก็เกิดประโยชน์มันจะเสียไปคือซับไพนอกที่เขาจาแปรเอามาใส่ดีประโยชน์นี่ มาเป็นสิน่งที่ดีนะเดี๋นอกจากเอาแต่งเป็นซับไทยนอกในต่เสถดประโยชน์ก็เจ้าของเขาก็ได้กินได้ใต่ได้ถอยี้ในครอบครัวในการดูแลญาติพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นสินส่งที่ดีเนาะนะคนว่าคนาว่าซับหนีขนเขาด้วยจากใต่จะอย้เอามาใต่หนีเก้าก็ได้หมีเก้าของเขาไม่คุ้นใหนีเก้าของขมี มีคุณพ่อคุณแม่มีปู่ย่าตายายมีคนที่เนี่ที่เลี้ยงที่ดูเขาหน้างบออันนี้เขาเขาซับมาใส่หนีเก่านะหนีเก่าที่เขาได้มาแล้วแต่เด็กน้อยจะถึงไงตอนนี้ะบางที่เขาซับหนี่ไปฝากธนาคารไว้ฝากธนาคารไว้กับผู้ใหญไว้กับลูกกับหลานอให้กับลูกกับหลานเขาเลี้ยงดูเขาตอนนี้นี่ ต่อไปเนี nó, h, ่ยเขาเข่าเขาแก้ไปนู่หลานได้ไหมยังดูเขาต่อไปเรื่อยๆหรือบางที้แนะเอาทรัพย์ไปลงทุนไปลงทุนยังไงถ้าไปลงทุนอในการสงมคอคนยากคนจนในการสงมคอการศึกษาในการสมคอสาธารณประโยชน์ต่างๆเอาให้บุญสั้นเนาะเขาก็ได้ได้เรียว่าได้กาไรตลอดคนที่รุ่นจั่ เอาตับนี่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสารประโยชน์ที่ได้บุญตลอดเวลาคือยังามีสมัยพุทธกาลนี่มีมีใช้หงคนนึงเพิ่นคิดที่เห็นเน้ี่นนนนนนาาเป็นสาระประโยชน์ น, นี่นเช่นต่างาะไว้เป็นว่าท่านคนสักสาระแล้วถ้านมีคนมานั่งเา้ามานาัน่งพักนี่บุญนั่นจะเกิดขึ้นทุกเที่ยเลยบางทีกป็ลปลูกต้นไม้ปลูกเป็นสวนป่า ใครมีคนมานั่งพักมานอนเตาใ่สวนปาที่พันธุูกนี่ก็ได้บุญตลอดบางทีเขาจะตัดถนน่พาโม่เองถนนคนว่าใครมีคนมายางใครมีเกวียนมาแรงบุญก็เกิดบุญตลอดเวลาอันนี้คือเรียกว่าเอาซัพบไปลงทุนะลงทุนให้เกิดบุญตลอดเวลาเลยก็คือไายซับอีกอย่างหนึ่งคืออย่าง เอาไปฝังดินไว้นะเอาไปฝังดินไว้ค่ายๆเอาเอามาเล็กพันทิ้งตัางๆเนี่ยเอาไปปลูกไว้กับดินต่อไปจะหมอกน้ํารัพย์ที่ฝังไว้กับดินเนี่ยคือไงก็คือทรัพย์ที่ทานี้พู้ชศาสนาหลยนะถ้าพย์ี่นอเทสให้กับวัดให้กับว่าให้กับพระสงฆ์องเจ้าเนี่แหละทังสิ้นทัพ์ที่ฝังไว้กับดินน่ะฝังไว้ก็ไม่ใช่แา่นี้ได้ต่อไปนี่สิ เกลี How, kind of ่ง่ายๆยๆเกับเข่าเกลี่ยนะเข่าเกลี่ยนะเขาตีเข่ามาแล้วเกลีไว้ใงนิยมนิชานะเข่าเกลียยนี้มันเก็บเกลียวพันได้ตีสองตีเข่าตีผูกได้ไหมบอสกระเิ๊ดตอจากเข่าเม็ดนึงก็ออกเป็นต้นเข่าเขาไปร้วมเข่าเป็นหลายเลยหลายพันเม็ดไมบน่ยจากซับภายในค่อยๆที่เขาไปฝังไว้กับดินที่เขาเอาฝังไว้กับพระพุทธาสนานี้ มันแปลงไปเป็นอะยรครับที่เรียกว่ามหาศาลมากในสมัยพุทธกาลนะมีมีไ ม, ม, ม่มีคนนึงถ้าถคนยากจนได้น่ะยากจนไหนกินก็คนหยากยามื่นนึงคนได้นะ่ะได้เขาเขาต่อเอาเข่าเปียกมาปวดมาเป็ข่าสแตกนะบ่าเขานะเข่าเอาเข า, เ า, าเอเต อ, ะนะานะ อ, ตอมาปวเหินพ่ะ อาระานรูปหนึง่งคนมีกินยาที่เรียบร้อยง่งามงาน้าพหนาบ้านโอ้ไม่ <c oughs> นี่เขาคือุยหลายแทบที่้ังมันดีสบายขนาบ้านเอายังใส้ห้นดีนาะถ้าคิดทอด ต, ต่อแตกแต่ที่ที่ตอที่เรียกว่าสัวว้เก้าของต่แตกเป็ น, นไส้เป็นทำบุญตัดภาระฐานอามีสนขนาดน่ะคนจะตายไปติดอจกทน เป็นภาษาคือน้ำป่าที่เป็นสว่าแค่สวายเขาแตกนะเท่วเดียวเงี่ได้เป็นน้ำป้าคือเทินซันดาวประเด็น่ะแต่พอนี่พระองค์ตายทรงเนาะที่เหนไหนได้กินสว่าก็สวายานี้เนาะดังนั้นทานีนขนาดของเทียนนีอเนาะในขนาดนี้ก็ไปน้อยเทีดนลายกินดีบ่เนะเทียหลายกินดีบ่คนจะเป็นน้ำป้าเนีย ไอ้เพิ่งลงมาโดกมันลดไหมเนี่ยมาปัดกวาดท่ า, า, ทาปัดกวาดตุต้าตาตดปไข่ผ้าอาหารมาตั้งน้ำตั้งท่าแข่งเต้นได้ใสาพาะอรเรื่อนั้นก็ออกไปอยู่หน้าบ้านับมาอยู่อย่างกุฏิเขาคือเรียบรอยเท่าคุณมีตัวมาตั้งน้ำตั้งท่าไว้ไหนตอนแรกนึกว่าตามนามาาา น, นี่หรือว่าผ้าบวดไหมเพิ่นเลียเสียงไหมไห้ตามปวดบ้าโปรแมน ทีสองทีสามเราจะคือเป็นแบบนี้ก็น่อยก็เลยถามสามอันนี้ถามค่าที่ต้องกันะพวกเธอใช้ไม่ได้หนหลวงพ่อรอนะสอนโอมีนะต่อคนไรแอบเพิ่มเป็นน้ำป้านะเพิ่นมาสก็ยังเพิ่อมาต้องการต่อบุญต่อนะต่อบุญต่อบุญต่อเนี่ยแหละคือสิ่งที่เพิ่นสามารถเพ็่ต่อได้นะพอบุญท่านั้ฝังไหวตบดิน สามารถต่อได้แม่ตายไปแล้วก็สามารถเขาเป็นใครได้ในเรีว่าสร้างนาเนาะอันนี้บุญทางพุทธศาสนาเป็นยันตีเนาะพี่จีนก็แด้ตอนแรกเหรอน้อมนะบุญที่เอาเทศในสะพอสะแม่เป็นการไต่หนีเก้านาไต่หนีเก้าเพิ่นบุญที่เอาให้เห็นลูกเห็นบุนี่เป็นการเรียกว่าเป็นการฝากธนาคารไว้แก้เผ่าบุไปบุตรนี่จะได้ มาใส่หนีเขาหรือเขาเบิกเอาบุญเขากลับมาใส่ใหม่บุญยันไปสามแค่เห็นกับสามหน้าสวยๆนี่เปบุญที่ได้ยว่าเกิดจากการลงทุนผู้ใดที่มาไส่ที่ของเขาสร้างไว้เนี่ยถ้าเยว่าไ้บุญแล้วอย่งบางคนนี่ยสามโบสโบสถราะมีมีพระไปบวยเนี่เขาก็ได้บุญในการสร้างโบสเอาสร้างศาลาวัดน่ะเอาสร้างศาลาวัดน่ะ สารวัตที่มีคนมาจ้างงานจังเกิทุกมือเนี่ยเขาไ่ได้ดลนะหรือว่าเขงต่างอาคามเรียนมีลับเยนเยหนังคือเนี่บุญก็เกิดกับเขาทุกมือเนี่ยบุญที่เกิดจะกรตุนถ้บุญเกินที่เบุญที่เกิดจะการที่เรียกว่าทำบุญตัศาสนานะแต่เล่าอย่างเ้รแบบค่ๆเลาแบบเพือนเนาะแต่ขันอีกแฉแค่นิบุญแฉแ่นี่อย่างไรโนะ บูนแท้แท้นี่ต้องยึสกบใจเทาน้นนะบุนแท้แท้ตื้นใจนะจ๊ะข้นใจเขาดีนี่ไม่เป็นบุนอขั้นใจเข้าห่ายนี่เป็นบาขั้นใจเข้าดีนี่เนี่ยเป็นพระอาหารย์เป็นเท่าถึงนิพพานได้สังเกตุ่อนเวลาใจให้หน้าตาแต่งหน้าคนใดนี่นะเป็นชอบกจอเงินโตเป็นยังไงเป็นตาโตน้อเป็นาใหญ่น่ะคุณใดมาไกลก็เอ้ หายของไก่ล่ะมันเกียมันสูนคล้อยเนาะน่ะอันนั้นขั้นใจเ้าให้นี่ใจเขาตกเขาลบแล้วน่ะใจเขาเต็มเตยตอต่ายแล้วย้ำใจใจเขาเย็นนี่อ่ะถ้าย้ำใจใจเขาดีนี่ไปยังเขาเปลนนางว้าเปลีนเท็น่าแล้วแังเกเด้ยผู้ให่ยิ้มง่ายนี่ผู้ใหญ่หัวแก้นี่ผู้ใหญ่ใจเย็นนี่มีตัอยากจุดหาหอ่าโอ้พอแม่ลูกหลานจะดีเนาะ พ่อแม่ใจเย็นนูกหลานก็อยากเข้าใกล้อ่าพ่อแมลูกหลานพ่อแมลูกหลานขอเปหาผู้ชาผู้แก่เข้ใจเย็นห้อยนี่เพื่อนอยากเข้าแล้วอ่านั้นเนาะพวกเขาให้ใจดีๆนะใจดีๆใจดีๆไะ้คนใจที่มีบุญเนื้องคนมีบุญเน้ไขอายุยืนยางยันเนพ้อพออแม่ออกนี่คือคนมีบุญเน้ไขอายุยืนอ่ารักษาบริเวณเดียร์แค่หายด้วยเท่านั้น แต่เป็นคนที่มีใจดีนะนะคอยเรียกว่าเสวนใจฟังเทศฟังคำนะเขาบอกเขาเ่าใจดีนแใ่เขาเย็นเน่นะพาต้องกระไดมันดับคนนะถ้าใจเขาดีนะใจเขาย็นเนี้ยมันเรียว่าเอาใจตะวันเสวนเยนะเพราต้องไปถามว่าใจตะวันตอนไหนตายไแล้วใจตะวันหรือเปล่าโอ้โห่เยอะเนาะ เขาได้ขึ้นสวรรค์สองนี่เลยย้ำใจเขาดีนี่ใจเขาเย็นนี่เขาได้ขึงนสวรรค์เนาะสวรรค์ท่านใดท่านใดก็ตามก็เรียกว่ากามีรอยยิมทมีเสียงเรนี่เขาได้ขึนสวรรค์แน่อาจ้นย่มใจเย็นนี่อย่างนี้เจอถึงก็ตามเนาะก็เป็นย้งเต้ยว่าก็แลก็เป็นยังคือว่าเป็นยังมึงข้ายใจกินติ๋ ครัคั้นี้เขาด้ถามว่าเป็นยังเป็นยังค่เป็นยังตันเป็นยังก่เป็นยังตีน่เขาทุบไม่ไหวเนาะใด้ถามบ่เป็นยังเขาไปเข้าเนาะเป็นยังค่อปวดขาเป็นยัง่อยปวดเอวนะถ้าถามยังอี๋ด๋อยเลยมันมันเจยบมันทุกไ่ถ้าเขาถามก็เถอะก็ไปยังก็ไปยังมันปวดก็ปวดก็ไม่ไปก็ไัยังนะมันเก็บก็จะบก็ไม่ไปก็ไปยังนะตาหัวมันหดนะ ตั้งของเราไมนะมันเป็นจะตั้งธลงมดานะมันเป็นจะตน้งของมันเองนะอย่าไปอย่าไปพูดกับตำตามหน้าตายที่มันเปลี่ยนแสงไปเนาะนะคูไหนว่าเท้าของคุณแบบว่าเป็นปวดเป็นัไงเนาะตอนเ่าลงนะการดู้สกว่ร่างกายมันจะสุขสบายดีพอเทาแกไปมาร่างกายก็ฟุก็เป็นธรรมดาไอ้เอาลงลงอีกเป็นตีนธรรมดาเนาะไม่เปทุกข์ใชมนะ ถ้าเราใจมั่งมั่นตท้แี้ก็จิตใจเขาตีก็ทุกเนี้อใจก็ทุกเนี่ยตูอใจเย็นใจเย็นแค่ใจนี้สงบเนี่ยตู้ใจที่เรียว่าได้มาผลเป็นมิตรานแต่ทีั้งหน้าของอี่เที่ยวกงบนั้นสมบูรก็ถี่ในใจโย่เที่ยวเนี่ยเที่ยวป้าก็ถี่เนี่ยยี่สามารถได้มิตรานก็ได้เนี่คือว่าได้บาปก็ได้เนียได้บุญก็ได้เ้อ่ยยังตัวอย่าง หลวงพ่อเทียนหลายคนต้องรู้กเนาะหลวงพ่อเทียนถเป็นอาจารย์ของหลวงโกกุลนี่แหละอ่อตอหลว่บวชหม่ๆหลวงพ่อเทียนตอนเเป็นครวะเคนทงานบุญนะานถินงานบวชร้ายงานเอ่ตเป็นผู้ให้บ้านตเป็นข้าบรีเป็นคนมีฐานะเป็นคนรับหน้ารตามีงานบุญนะถิ่นเพียงนึงนหนึ่งเคด้บวชเหรอเอ เพิ่มได้เงเพิ่มว่าเพิ่มได้บานได้ยังไหนะเพิ่มได้ปุ๋เพิ่มไ้นางรับแขกเวรีนะบอกแม่ออกว่าเจ้าดูแลตัวการเงินดูแลต่างๆเด้เลย่อยอีกนองแขกในตอนหลับแขกแขกบานแขกเมืองพ่อตังนะพ่อตแรงก้มนี้ัอันหมอนรำนะมีหมอลํา แต่แม่ต่อของหนวง่อเทียก็มาถามหวเทีนั่นเองเจ้าเห็นข้างมาลัำขึ้นข้าไขึ้นข้าใจองนี้เล่าทํางนั่นน่ะหลวงพ่อเทียนเกียดหลวอเทียนสูงนี่ใจเอ้าคือบอกว่าเขาเห็ถามขึ้นมาถามแต่เรา้อเก็บไว้ปรปากปรปากนั่นนีแขกไรนัเขาเล้เก็บไว้เก็บไว้่านี้ใจ พอตัดแนงนะพองาเรียบร้อยแล้วสวายับายกะทิเรียบร้อยแล้วถ้ามานั่งกินเผากับแม่ออกกับลูกแต่เขียดยิ้มใจถามนี่ถามทีแต่ไม่ถามแม่ออกมือตั้นเจ้าดึมาถามค่องเงินู้บอกแล้วเราหปถามแม่เพียยเราบอกว่าอ๋อถามสักทีกเครียดสักทีหัวงี้แต่จะถามสัีทีก็เป็นยังบอก ฝ่ายเขาไรู้เอว่าเจ้าเคียดฝ่ายเขางน่อเาเจ้าเทียดเจ้าม่เงียบเลเขาไม่อยู่แล้วนะเจ้าบ็เล่นตบวันะเจ้าเป็นตัวมันแล้วนะแล้วก็เงียบไปเลยบ้างนโอ้ไม่ความเจ้าอีกนะพอปากก็เงียมเลยโอ้ฝ่ายเขาเียบเลเนาะใใจนี่มันเครียดมันตูนนี่มันเป็นบาสอันนี้แหละ กานโยนน้อสามารถแคปปูนแคทเทีได้เนาะที่มีหาบปูนเนีก็แล้วแต่เนาะหางกคททิงนะงสัฟฟ้าหางวรุ่งปวดรานคือว่าในชีวิตประจวันของเขาได้เนาะแคปปนกับแ้าขอนเลยนะยังเลือกแคปปนให้กับแคทคอนแคปปุนให้กับแคนยังไหแค่ให้ใส่แคของเย้แค่ให้ใส่แคทคนดีแคให้ใส่องเทียบนะเทียบยังไง เกี่ยงการีว่าให้หูเมียะูกจเจ้าของนะลูกจเจ้าของไปโงจะปเครียดจะพุ่งดแล้วเก้ยวแ้ก็นก็กลับมาไหมตัดมาหูเียะไหมเนาะตัมาหูเงียหมเนี่ยใเต้าจะองเครียเต้าจะต้องพุ่เต้จะต้อผอันนี้แหละคือจงเาเรียกว่าเก็บบุญ้กับเจ้าของได้เก็บให้ได้ทเม็ดนั้นจะถีงนีจะเป็น่ที่นีแต่มีนึงเียนนึง แต่ให้ฟูงให้ข้องนี่เก็บได้ทุกเมือเก็นได้ตลอดเวลานะอายทขาตไม่่แบบนี้ไะ้รั่นอนาตรางิเกิดที่กับเขานะเขาเอกสราภัยนอกมาแบ่งเป็นภูณิตยาที่จะมาแบ่งทีแล้วล่ะสร้าภัยนอกนี่สามารถแบ่งเป็นภูณิตททีตัวได้แต่ที่จริงเขายังมีสราภัยในนียสภัยในนี่วายย่อยๆมีสามอย่างนนสภัยในนี่ไง หนึ่งเอามีทัดคือลูกลูกลกเคือร่างกายนี่เนาะร่างกายเขาม่เป็นทาเนยเห็นตาเนเขาออกร่างกายเอามือเอาแขนเอาเรีอวแรงเาองหนีไปแผลไปี่ันต่างนี้มาีได้เนยขตตายนี่ขาไปได้หน่อยเนาะตายนี่เอาไปจับนั่นจับนี่เข็นั่นเข็นนี่เขาไได้แล้ั้นเขนมีทัดคือลูก้คนมีลูก เอารูกของเนี่ยเป็นความนีนี่แปลงไปดุแล้วแปลไปทะยานตามแล้วเนาะเอาวิทรัพย์ยันที่ก่อที่ไหนทรัพก์คือวาระเอามีปากปากเขาเนี่ยเป็นว่าทำคฟๆก็ได้เป็นว่าทำมืองวยก็ได้ว่าทำ้ากก็ได้ว่าด่าคนก็ได้เอามีปากเขามีปากเนี่ยเป็นตัพเขาสามารถใช้ปากเขาเนี่ยให้เกิดทรัพยก็ได้ ปากของเขาใส่คำไหนดีใส่ในการบอกทํามะใสนการบอกลูกบอกล้านใส่ในการบอกในคุทธคามก็ดีปากเขาก็เป็นทับแล้วนะแต่เป็นเอืยะทับแล้วนี่เขาแบงได้นี่อันนี้คือทับยั่งที่ต้องใส่เือนก็ได้ทับยังที่สามคือไเน้ะทับยันสามคือจิตใจนะเรา้อนสมาพึงจิตใจน่ะเขาเป็นทับแท่แท้นะ พ้นนีเแาดรว่ามังเอุกขังเข้ามารมามังเอิญเาบงเอิาญานี่พ้นนีมิใจมิให้มิใจมิเหตุนาแขนกระแทกแทงตัดเศษเต้นมิใจเนาะอันมบูริจัยใปมิให้มิใจมิเหตุนานี่ย่างกระล่มเดียวอันี้เขามิใจมิให้นิใจมิเหตุาเนี่ยแขนกระตําเศษเศษเด้นมิใจบุญที่เขาตื้นตันเศษเต้นมิใจเนาะแค่ บางทีเห็นใจน้อยเนี่ยทางสายไม่ได้เห็นเจ้าภาพนะเห็นเจ้าภาพเพิ่นตั้งต่อปฐมินี่เขาอนุโมทนาเนี่ยเขาก็ได้บุญไปแล้วอเจ้าภาพก็ได้บุญจากการตั้งต้นต่อปฐมทููที่อนุโมทนาต่ามนี่ก็ได้บุญจากการอนุโมทนาตามนี่เนี่ยบุญก็เกิดทั้งสองกายตาน้าที่เท้นไถ่พม่าไถ่เรียว่าพอกินอากาศบริวารัคก็ได้บุญนะท่าที่รับ เป็นทางีนทางไปทีวัดคนที่มาได้มาไดตั้งในวัดก็เดินดนี้อันนี้ดูนี่ไปตนที่ว่าตอได้อตอรื่ยๆนะแต่ที่วอยากได้ยนเยน้อยเท่าไหร่น้อยเราจะขอทางเจ้าภาพนะเจ้าภาพข้างกองไม่ดีนี่เนาะที่ในว่าศุทราตั้งใจตั้งใจให้เก็บกองไม่ดีนี้ไม่ีเนาะ หวังว่าคันที่สองในศาลครับผมสักทีนะครับนี่เขาคงที่เป็นพระว่าปัจจัยเจ้าภาพเนาะได้มีความสุขมีความเริเลยนาะในหน้ที่การงานในชีวิตครอบครัวในสุขภาพสร้างตายยกระที่สำคัญทีสุดก็คือว่าให้ได้มียนครับให้จิใจของเขาได้ให้เกิดพลีให้เกิดความสุขใจให้เกิดความเ็นใจ คิดถึงมือนีเขาได้คิดก่อนปฏิบัติเนาะ้เขาได้เย็นใจซีงแต่ที่เครียดบายงงไปเพราะหยั่งนะทีวิตหนีได้เกอดมาต้องมีถือว่าดีแล้วนะได้สวยว่าดีแล้วได้พูดได้พานได้รักษาถี่ได้พาวางานนี่เป็นอนิสงเท่เขาได้ไต่ทําในชาตินี่แป่นอนิสงส์เาได้ไต่ทั้ในชาตหน้านะเป็นทนิสงส์ที่เขาสามารถ แบงให้กับรูปใหหลานได้เนาะเงินเนาะตัตรงนี้ให้แงให้รูปหหลานได้ตับเงินกองจะแปงได้แค่ขอไต่กระดดแต่ตับทีเรยว่าเขาดูาับสวนลูกสวนหลานให้ตอของบุญเนี่ยเป็ที่ทรี่ว่าเอาเปิดสามาเถโดยไต่ตอได้โย่โดยไต่ตอเป็นอย่างนี้เพราะว่าทั้งลูกหลานเขาฝึกคนที่รียว่าตวลานี่เป็นงะนเขาเลยตั้งที่แบบโดต่ตอ ตปตั้งงทาต่ออ่าปตีไปทางต่อเนี่ยขอใ็้เกิดบุญขอรูปเอาให้เที่ร้านเขาให้ให้ตามอ่า้านที่แล้วเด็ให้ให้ตามนี่มันต้องไปเรื่อแบบนี้เนาะเกิดแบอแม่หลักพายเค็ก็เขาให้ธงตีเลยมีง์ผู้คงอ่าเป็นเป็นตหลักอ่าให้ให้ได้เกิดบุญสรูปกับร้านขึ้นเสมอที่บกับคู่ก็ไม่ มาตวนถวายป้าเร่องงคูเขามาตวนให้เอาของขอมาถวายวัดนะาทีของครูมตวนให้ก่อกระดิ่งเรืองขู 50. ่ครตวนใสปฏิบัติธรรมนี่ดีเนะดีเล้มีครูจนส่ะตวนขอาารักษาีใ้มาทำทานให้มาปฏิบัติธรรมนี่หายงาน้อหายงาของให้เขาเดินตามครูแล้วนะเดินตาม เตือนตางเขาว่าเตือนตามคำพากนเตืนตามเาวนะเขาเกิดรูปเขาไม่ได้อศจากนี่แหละจากนี้หนงปูเที่ยวนะครับที่เขานงูได้ทาไปแค่วัดพุทธรอกันเขาปฏิบัติดีแท้ๆเอายางเขาไปพบพระพุทธเจ้าไได้เนาะพระพุทธเจ้าก็แม่ถือรูปเป็นร่างแค่เป็นคุณธรรมให้ใจน่ะเขาไได้เกิดคาาว่คือไว้จิตใจเขามีทุกท้า มีความดูความคือคนส่วใหญีใจเาแน่นเนาะถ้าต้องแต่ร่างเขาติดไน้าแดงเนาะเป็นใครมีคนที่เยว่ามหาศาลมากๆเกิดมาบ้านีบนี้อย่างทีถีทอได่พบเขาพุทธเจ้าแล้วพบที่ใดเขามีดใจเขาแน่ละใจที่เขาเย็นเน่ละที่ได้พบเขาพุทธเจ้าเนาะอยากให้ยางเง้ยไดเข้าได้เขาถึงตรงนี้อาจจะมาอะไรทิพย์้า การที่อิยสมประกอบทับุลใ้กระินในคั้งนองค์ปอส่งตัวเกลาเนาะอยากให้การที่บุญในเมนี้เป็นการเรียกว่าสิการตั้งต้ น, นสิการตั้งต้นประดับหงคนที่เรียกว่าอยากมีทับกุลให้ถูกต้องก็จะเป็นการต่อยอดให้สำคูที่เรียกว่าเข้าใจแล้วได้มีเรียกว่ากำลั ง, งใจหรือว่าได้มี คำล้ ính, ủ, ư, a, c, An, ํในการนี้้อยอนดูที่เขาําถึงเนถึงไปเนาะติดใตั้ต้นต้นแล้ก็ติดใก้อหย่อนให้เขาได้เข้าถึงเนความสุขที่ถูงสก็คือรับผลยินพนะในงานร่วมตารบิกเงน